ทีนี้มาดูว่าใครที่กําหนดรูปแล้วก็ไม่ค่อยจะเข้าใจเรื่องนามรรมาทําศักด์เท่าไหร่นะบอกว่าการกําหนดรูปเป็นอุบายและเป็นการอุปธรรมในการกําหนดอารูปด้วยอุปมาลองมาฟังอุปมาก็พอจะเข้าใจได้เลยเหมือนอย่างว่าเมื่อบุรุษผู้มีในตาดีแลดูเงาหน้าในกระจกอันไม่สะอาดเงาย่อมไม่ปรากฏเขาย่อมไม่ทิ้งคว้างกระจกด้วยคิดว่าเงาไม่ปรากฏแต่ถ้ว่าจะเช็ดถูกระจกนั้นไปซ้ซําๆ ำ, ำักซับ เมื่อกระจกสะอาดแล้วเงาของเขาก็จะปรากฏเองทีเดียวฉันดาอันนี้ก็ชัดเจนยนะกระจกบ้านใครส่องแล้วไม่ค่อยเห็นหน้าเจ้า ต, ตัวทีหนึ่งก็แสดงว่าละอองไอน้ําคราบสบู่เป็นต้นมันไปติดในกระจกนั้นก็เช็ดกระจกถ้าเช็ดกระจกสะอาดเมื่อไหรก่ก็หน้าคนคนเช็ดก็จะชัดขึ้นเท่านั้นบางทีก็ไม่ค่อยชัดมันก็ดีเหมือนกันเนาะเห็นชัดมากโยมก็บอกว่าเออเนี่ยเห็นรูปมาแล้วก็เริ่มโปรงตกแล้วก็งั้น บางคนก็ไม่ค่อยอะไรเท่าไหร่นะเขาบอกว่าเดินเดินเดินไปนะเหลียวดูที่กระจกอา้าวนี่รูปเราเลยเนี่โอ้โหสังเวกับวัตถุกเกิดมากเลยนะโอ้โไม่ได้ไทําเป็นไม่ดูกระจกมาตั้งนานแล้วมันนั้นนะนี่ก็ลักษณะเดียวกันนะชัดพิจารณารูปมากๆแล้วก็จะเห็นนา ม, มาทำทั้งหลายมากขึ้นคิดง่ายๆอย่างนี้สมมติถ้ามีภาพภาพสักภาพหนึ่งขึ้นมานะถ้าเราใส่ใจเรื่องภาพอ น, นันต์นนะเราจะเริ่มเข้าใจจิตใจของคน เราคิดดูง่ายถ้ามีภาพภาพหนึ่งมาตั้งแล้วคนผ่านมาคุณลองวิจารณ์ภาพนี้ดูสิเขาเห็นภาพปั้บความคิดอันหนึ่งก็จะเกิดขึ้นไหมคนหลังถัดมาอีกก็ภาพเดียวกันนี่แหละเขาจะคิดอีกเรื่องหนึ่งขึ้นมาแล้วถ้าห้าสิบคนดูภาพนี่จะคิดเหมือนกันไหมโดยรวมๆแล้วจะไม่เหมือนกันถ้ากําหนดอารมณ์นั้นได้โลกของความนึกคิดถึงอารมณ์นั้นจะแตกต่างกันมากอันนี้คืออุบายเครื่องกําหนดอะไร นำ ม, มาทำทั้งหลายถ้าตั้งตั้งสติเอาไว้ที่รูปเป็นอย่างดีคิดง่ายๆเช่นน่ะถ้าเรากําหนดพระเขี้ยวแก้วได้ดีนันจะรู้ถึงศรัท ธ, ธาของของผู้ที่ไปกราบไปไหว้จิตใจของเขาเนี่ยศรัท ธ, ธาของเขาไปไปกราบไปไหว้พระเขี้ยวแก้วอคนนี้มีศรัท ธ, ธามากคนนั้นมาไกลามากสแสดงว่ามีความเพียรเป็นต้นถ้าอย่างนี้กําหนดจิตที่ผู้ไปกราบไหว้พระเขี้ยวแก้วกําหนดจิตของเขายากไหม จิตที่มีศรัทธานะแต่ว่าในรายละเอียดไปยังไงมายังไงอีกเรื่องหนึ่งแต่พูดถึงว่าพระเคี่ยวแก้วเป็นอารามณปัจจัยของศรัทธาของพุทธบริษัททั้งหลายที่ไปกราบไปไหว้ทีนี้ถามว่าในข่าวข่าวเดียวกันเห็นภาพคนที่ถูกฆ่าตายหรือภาพเพชฌฆาตนี้เรารู้ไหมว่าคนทั่วไปเนี่ยถ้ามีภาพอันนี้เป็นอารมณ์จิตประเภทไหนเกิดขึ้นจิตที่เป็นโทสะก็เกิดขึ้นเพราะฉะนั้นถ้าจากรูปธรรมทั้งหลายก็สามารถที่จะอ่าน นำมาทำได้โดยไม่ยากนักเนี่ยนะแต่ที่สำคัญก็ถึงมีความชัดเจนในเรื่องของรูปธรรมและเหมือนอย่างว่าคนผู้ต้องการน้ำมันงาเกลี่ยแป้งงาลงในรางแล้วใช้น้ำาพรมเมื่อน้ำมันงายังไม่เยิ้มออกมาโดยเพียงแต่กดบีบครั้งสองครั้งเขาจะไม่ทิ้งแป้งงาเสียแต่ถ้าว่าจะใช้น้ำร้อนเนี่ยมบีบขยำ้ำขยำ้ำแล้วก็บีบ แป้งงาไปเรื่อยๆเมื่อเขาทําไปอย่างนี้น้ามันงาใสแจ๋วก็จะเยิ้มออกมาฉันใดอันนี้ก็เปรียบเหมือนกับคั้นน้ามันงาเนี่ยนะอีกอย่างหนึ่งเหมือนอย่างว่าคนผู้ต้องการจะเทน้ำให้ใสก็คือจะทําน้ำให้ใสเนี่ยก็เย็ดหยิบเม็ดตุ่มกาอันนี้ก็สมัยใหม่คิดว่าเอาสารส้มแกงน้าก็แล้วกันหย่อนมือลงไปในหม้อน้ำเมื่อน้ายังไม่ใสแจ๋วโดยเพียงแต่ถู ถูสารส้มก็ได้ครั้งสองครั้งเขาก็จะไม่ทิ้งสารส้มนั้นเสียแต่ถ้าว่าจะถูสารส้มนั้นไปเรื่อยๆแกว่งไปเรื่อยๆเคยแกว่งสารส้มในน้ำให้น้ำใสไหมก็ลักษณะนั้นนั่นแหละเมื่อเขาทำไปอย่างนี้คุณตะกรอนก็จะสงบนิ่งน้ำก็เป็นอันน้ำสะอาดใสแจ๋วฉันใดภิกษุนั้นก็อย่าทอดทิ้งธุระเพึงพิจารณาพึงมนุษยการเพ่งกาหนดถือเอา เพิ่งกำหนดแยกแยะรูปนั้นนั่นแหละไปเรื่อยๆฉันนั้นเนี่ย น, นะก็สายใจในเรื่องรูปไปให้มากให้มากให้มา ก, มากไปบ่อยๆจริงอยู่รูปจะเป็นอันสะอาดดีไม่ยุ่งเหยิงบริสุทธิ์ดีแก่พระโยคาวาจรนี้โดยประการใดๆกิเลสทั้งหลายเป็นอันเป็นข้าศึกของยานนั้นก็จะสงบนิ่งจิตก็จะเป็นอันผ่องใสเหมือนน้ําเหนือขุนตะกอนโดยประการนั้นๆ นามธรรมทั้งหลายซึ่งมีรูปธรรมนั้นเป็นอารมณ์ก็ย่อมปรากฏเองทีเดียวก็ถ้ากําหนดมณสิกานสายใจในรูปนั้นๆบ่อยๆบ่อยๆเข้าเนี่ยนะจะรู้ว่าจิตทั้งหลายที่ไปครุ่นคิดถึงรูปเหล่านั้นๆเนี่ยจะเป็นอย่างอย่างไรเนี่ยนะก็อย่างว่านะอันนี้ท่านเป็นท่านเป็นยกตัวอย่างให้ดูซึ่งความจริงการพิจารณาในเรื่องของนามรูปเหล่านี้เนี่ยผู้ใดถนัดที่จะพิจารณาในแนวใดก็ ก็พิจารณานะเพราะว่าวิธีการพิจารณาเรื่องนามรูปนะอย่างในตรงนี้ก็วิสุทธิมักยกมาให้กี่วิธีสรุปนะเวิธี9วิธีวิธีที่หนึ่งทวนอีกครั้งหนึ่งนะวิธีที่หนึ่งออกจากสมถะแล้วกําหนดพิจารณานามรูปวิธีที่สองพิจารณาธาตุสี่อย่างพิสดารวิธีที่สามธาตุสิบแปดวิธีที่สี่อายตนะสิบสอวิธีที่ห้า ขันท่าวิธีที่6นามรูปโดยสังเขตวิธีที่7อินทรีย์อินทรีย์โดยอินทรีย์วิธีที่8ดสัจจะวิธีที่9ปฏิจจสมุปบาทนั้นคนที่นี้ก็ถือว่ามีข้อมูลในการพิจารณามากหรือใครที่สามารถพิจารณาทุกวิธีได้ก็ยิ่งดีนะคนที่พิจารณาทุกวิธีได้เนี่ยนะขอมาเชื่อว่าอ่านพระไตรปิฎกนี่จะมีความสุขมาก นนะพราะจะอ่านเล่มไหนก็หน้าเล่มใสไปหมดเลยอ่านแล้วจะเข้าใจเพราะว่าตัวเองพิจารณามากเนี่ยนะธรรมะในพระไตรปิฎกเนี่ยอยู่ที่ว่าถ้าเราพิจารณาน้อยนะพระไตรปิฎกอ่านไม่เห็นสนุกเลยแต่ถ้าเราพิจารณามากการอ่านเนี่ยนะเหมือนกับว่าอ่านผู้ที่เขารู้จริงเขาพูดอะในโลกนี้ใครจะรู้จริงเท่ากับพระพุทธเจ้าถ้าเราพิจารณาขันอยู่แล้วเนี่ยนะไปอ่านขันทวารวักเราจะเข้าใจอะไรขึ้นอีกเยอะมากเราจะรู้ว่าอุย้ย เราได้นับถือคนถูกแล้วที่ได้นับถือพระพุทธเจ้าพระพองค์รู้จริงจริงในเรื่องขันถ้าเรามักพิจารณาอายตนะบ่อยๆเนี่ยนะไปอ่านสลายยตนะวักจะรู้ว่าพระพุทธเจ้ารู้จริงรู้โดยประการต่างๆไม่น่าเชื่อว่าจะมีคนมีความรู้ขนาดนี้ถ้าพิจารณาเกี่ยวกับปัจจัยมากเนี่ยนะไปอ่านนิทา น, นาวักเป็นต้นจะรู้โอ้โหพระองค์ไม่เก่งจริงๆทํำไมความรู้ของพระองค์นี่กว้างใหญ่ไพศาล ส, สมแล้วที่พระองค์เป็นาศาสดาของเทวดาและ มนุษย์แต่ถ้าเราไม่พิจารณาอะไรเลยนะเรื่องเรื่องนั้นก็ยากเรื่องนี้ก็อ่านาไม่รู้เรื่องเรื่องนั้นก็ไม่เข้าใจะนะเรื่องนั้นก็ลึกเกินไปอะไรเงรี้ยนะกลงก็มม่รู้จะเอาอยัางไงกันนี่ตกจากาศาสนาดีกว่าเงี้ยหรือ่าสมัยใหม่นะโดยสรุปโดยอาาัถาบอกตกจากาศาสนาดีกว่านะทีนี้มาดูว่าเริ่มต้นการพิจารณานามขันเนี่ยนะว่านามขันปรากฏว่า ก็สำหรับพโยข่าวพจรผู้กำหนดถือเอารูปบริสุทธิ์ดีแล้วอย่างนี้นามธรรมทั้งหลายย่อมปรากฏโดยอาการสามนามธรรมทั้งหลายเนี่ยอย่างในหน้าหน้าก่อนหน้านี้ที่กล่าวถึงท่าสิบแปดเนี่ยนะที่พูดถึงเจตสิกเจ็ดดวงอะนะหน้าอะไรในหน้า8ปดใช่ไหมที่พูดถึงผัสสะเวทนาสัญญาเจตนาจิตจิตทตทิฏฐิคือเอกคตาและมณสิการเนี่ยนะหน้าแปดะ ในบรรดาเจตสิกเจ็ดดวงเหล่านั้นเนี่ยนะตัวที่ชัดกว่าเพื่อนมีอยู่สามตัวชัดง่ายกว่าเพื่อนนะในบรรดาสัพพะจิตตสาธารณาะเจตสิกเจ็ไม่ใช่ในบรรดาเจตสิกห้าบสอันนี้เป็นการยกมาจากสัพพจิตตสาธารณาะเจตสิกเจ็ที่เกิดร่วมอยู่กับจิตทุกดวงถ้าถามว่าภาษากะทสศอะไรง่ายกว่ากันอะไรกําหนดง่ายกว่ากัน โทสะง่ายกว่าแต่นี้พูดในโลกของสัพพจิตะสาธารณะเจตสิกเกตแต่ถ้าพูดอย่างอื่นนะเช่นความโลภความโกรธเนี่ยนะกับภาษาไหนง่ายกว่ากันบอกความโลภความโกรธง่ายกว่าริษยากับภาษาไหนง่ายกว่ากันจะรู้ว่าพวกริษยาเป็นต้นรู้ง่ายกว่าแต่อันนี้พูดในโลกของอะไรนะสรุปว่า สภาพจิตตาสาธารณเจตสิกเจ็คือผัสสะเวทนาสัญญาเจตนาเอกคัตตาชีวิตินสีมนัสิการเจ็ดตัวนี้ตัวที่ปรากฏเห็นง่ายเนี่ยนะก็คือผัสสะหนึ่งเวทนาหนึ่งแล้วก็วิญญาณคือจิตอีกหนึ่งถามว่าอย่างไรก่อนอื่นเมื่อพระโยคาวจรรูปหนึ่งกำหนดถือเอาท่าทั้งหลายโดยนัยว่า ปัทวีธาได้แก่ธรรมชาติที่มีความแข็งกระด้างเป็นลักษณะดังนี้ภาษะซึ่งเป็นสภาวะที่บายหน้าตกไปในอารมณ์ทีแรกย่อมปรากฏก็คือภาษาเนี่ยตกลงไปในเรื่องของผมแต่บางคนนี่เขาเขาาทำยังไงรู้ไหมเขาบอกผมก็ oh, นั่นแหละตัวตัวนามที่ไปไปตั้งอยู่ที่ผมอ น, นถามว่าอย่างนี้ดีไหม มันแสดงว่าคนที่ที่พยายามจะทําความเข้าใจตรงนี้มากๆโดยลัดเนี่ยนะเออผมจิตใช่ไหมที่ไปคิดถึงผมเป็นนามธรรมใช่ไหมถ้าอย่างเนี้พูดตรงๆว่านี่พยายามจะเรียนลัดมากถามว่าเรียนลัดมากใช่ไหมถ้าคิดแบบนี้บอกรัดมากเพราะตอนต้นท่านให้ไปคิดว่าผมผมมีกี่รูปอะนะถ้าแยกแบบรูปมีสี่สิบสี่รูป อันนะั้นมีรูปกลุ่มไหนบ้างเป็นต้นแล้วรูปเหล่านั้นอ่ะผมผมก็อีกคน ล, นลักษณะของขนขนก็อย่างหนึง่งเล็บก็อย่างหนึง่งฟันก็อย่างหนึง่งและ ว, วิจัยละเอียดใครครวญในเรื่องนี้ให้มากให้เพียงพอให้บริบูรณ์แต่พวกเรียนรัดนะบอกเออผมก็อย่างหนึ่งจิตที่ไปคิดถึงผมก็อย่างหนึ่งคนละอย่างกันนี่ก็ความต่างกันแห่งนามธรรมาและรูปธรรมเนี่ยนะก็เลยเนี่ยลัดมากเลยใช่ไหมคิดว่าจะได้ดีไหม อ้าเราก็อยากรู้ให้มันเร็วๆไงว่าผมกับกับภาษะที่ไปคิดเรื่องผมคนละอันกันคนละอย่างกันก็ไม่ใช่ไม่ใช่มุ่งจะทำให้ให้รับในลักษณะนั้นนะนะแต่นี้ก็วิธีการฝึกคิดแบบหยาบๆคร่าวๆภาษาที่บายหน้าหรือตกไปในอารมณ์ทีแรกย่อมคือภาษะเวทนาอันสัมปยุตกับภาษานั้นปรากฏว่าเป็นเวทนาขัน สัญญาย่อมปรากฏว่าเป็นสัญญาขันเจตนาพร้อมทั้งภาษาย่อมปรากฏว่าเป็นสังขารขันจิตย่อมปรากฏว่าเป็นวิญญาณขันอย่างนั้นเหมือนกันอันนี้ยกตัวอย่างว่าปัทวีธาตุก่อนเนี่ยนะยกับปัทวีธาตุคือกรรมฐานแบบธาตุนี่มีอยู่สองประการใช่ไหมแบบย่อ ก, กับแบบพิสดารแบบย่อคืออะไรว่าพิจารณากายนี่แหละ ตามที่ตั้งอยู่ตามที่ทรงอยู่ว่าปฐวีธาตุมีอยู่ในกายนี้อาโปธาต์เตโชธาต์วายโยธาต์มีอยู่ในกายนี้จิตที่ไปพิจารณาภาษาที่ที่ตั้งลงในนั้นเป็นภาษะความรู้สึกที่มีผมเป็นอารมณ์เป็นเวทนาสัญญาที่ไปจำหมายในผมเป็นสัญญาภาษาก็เป็นสังขารจิตที่ไปมนสิการเรื่องผมเป็นต้นก็เป็นวิญญาณก็คือ ขณะที่พิจารณาผมสรุปท่านท่านอยากบอกเราว่าขันห้านะขณะพิจารณาผมเนี่ยขันห้าประชุมกัน น, นะ ข, ขณะที่พิจารณาปทวีทาธาตุขณะนั้นก็มีขันห้าขณะพิจารณาอาโ ป, โปาธาตุขณะนั้นก็มีขันห้าขณะพิจารณาเตโชาธาตุขณะนั้นก็มีขันห้าขณะพิจารณาวาโยธาตุขณะนั้นก็มีขันห้าวันขันห้านั่นแหละเกิดขึ้นในขณะพิจารณา ปัทวีธาตุอาโปธาตุเตโชธาตุและวายโยธาตุอันนี้เป็นลักษณะกรรมฐานโดยสังเกตรือโดยย่อถ้าลักษณะกรรมฐานโดยพิสดารล่ะนนะก็พิจารณานี่แหละปัทวีธาตุเป็นภายในบ้างพิจารณาปัทวีธาตุเป็นภายนอกบ้างพิจารณาปัทวีธาตุภายในเป็นไงอันอั้ลักษณะที่แค่งแข็งอาการที่หยาบที่มีอยู่ในภายในก็คือ ผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกเยื่อในกระดูกเป็นต้นขณะที่พิจารณาผมนขณะนั้นคือขันห้าประชุมกันรูปรูปประคันในฐานะเป็นอารมณ์นามาขันในฐานะจิตที่ไปครุ่นคิดถึงสิ่งนั้นนั้นในขณะที่พิจารณาขนขณะ น, ขนั้นก็คือขันห้าประชุมกันพิจารณาเล็บก็ขันห้าประชุมกันพิจารณาฟันพิจารณาหน Ginsburg, ังพิจารณาเนื้อเอ็นกระดูกเยื่อในกระดูกเป็นต้นแต่ละขณะนั้นก็คือขันห้า ประชุมกันขันท่าประชุมกันนั่นแหละจึงมีเกิดการเกิดการรู้สึกนึกคิดในขณะนั้นรู้เป็นวิญญาณอคัญนึกก็เป็นก็เป็นรู้เป็นวิญญาณอคัญนึกอะสังขารอคัญคิดก็รูปนามอยู่แถวนั้นนะ่ะรู้สึกถ้ารู้สึกก็เป็นเวทนาอคัญใช่ก็ความรู้สึกนึกคิดที่เกิดขึ้นในขณะพิจารณาขณะนั้นแหละคือขันท่า ชุมกันท่านจะไม่ไม่ไ ม, ไม่สังเกต ด, ดูในหน้า18จะเห็นชัดว่าท่านไม่ต้องการให้เราแยกออกแค่นั่นรูปนี่นามแต่ท่านการแยกให้เห็นว่าเป็นขันห้าในขณะพิจารณาดินน้ําไฟลมขันห้าขณะที่พิจารณาผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกเยื่อในกระดูกก็อันนี้อันนี้แบบพูดแบบภายในนะถ้าเห็นภายนอกดูดอกไม้ก็คือดอกอะไรขัน ขันห้าประชุมกันในขณะดูดอกไม้นะวันในขณะเห็นก็คือขันห้าประชุมกันในขณะได้ยินก็คือขันห้าประชุมกันในมหาหัตถีปโทรปรมสูตรเนี่ยแสดงขันห้าประชุมกันในทวารตาขันห้าประชุมกันในทวารหูทวารจมกูกทวารลิ้นทวารกายและทวารใจแม้กระทั่งในสติปัฏฐานก็แสดงแสดงอะไรในสัมปชัญญะบัพพ็ สัมปชัญญะบัพพะว่าด้วยการแหลเหลียวแหลเหลียวในการแหลเหลียวเนี่ยก็พิจารณาโดยศาสกะสัมปชัญญะโคจระสัมปชัญญะสปายะสัมปชัญญะและอะสัมโมหะสัมปชัญญะอะสัมโมหะสัมปชัญญะมีการพิจารณาข้อที่หนึ่งปฏิเสธอัตตาที่เห็นในมีใครอยู่ในที่การเห็นมีไหมไม่มีต่อไปแล้วเห็นได้อย่างไรก็มูลปริญญาก่อนใช่ไหมมูลปริญญา ก็กล่าวถึงจักขู่ทวารวิถีว่ามีจิตอะไรเกิดขึ้นบ้างในขณะเห็นแล้วก็ต่อไปอะไรคืออาคันตุกะเนี่ยนะอะไรคือตัวดั้งตัวเก่าแก่ที่มีอยู่ประจำเช่นอาวัชนะจักขูวิญญาณสัมปติชนะสันติรณนะวธฏปณะนะคือเจ้าหน้าที่ที่ทำงานอยู่ที่นี่ประจำส่วนแขกไปไทยมาก็คือชาวนะทั้งหลายอันนี้เรียกว่าอาคันตุกะตาวะกาลิกะะ แต่ละอย่างก็ของชั่วคราวหมดเลยเนี่ยนะฮะการเห็นเนี่ยถ้าว่าไปรวมๆแล้วขณะที่ลืมตาเห็นก็ถือว่าชั่วคราวแต่ถ้าชั่วคราวตั้งแต่อาวชนะทัศนะสัมปติชนะสันดิรนะนาโวทพนะชาวนะตถาลมมนณะสิ่งเหล่านี้ทุกขณะคือของชั่วคราวหมดเลยอันนี้เรียกว่าตาวะตาลิกะ <c oughs> แล้วถามอีกต่อไปก็พิจารณาโดยขันอายตนะธาตุปัใจใย ขันห้าประชุมการการเห็นจึงเกิดขึ้นอายตนะสี่ประการประชุมการการเห็นจึงเกิดขึ้นธาตุสี่ประการประชุมการการเห็นจึงเกิดขึ้นแล้วปัจจัยกี่อย่างประชุมการจึงเกิดเห็นโอ้ปัจจัยเยอะมากนะไม่ต้องไปไล่ตัวเลขเลยนะแต่ว่าเป็นสามสี่สปัจจัยนันะ่นแหละแต่พูดแบบย่อๆเลยนะก็จักขุในฐานะวัตถุนะนะกลุ่มของวัตถุสีในฐานะกลุ่มของอารมณ์ อาวัชนะในฐานะอนันตระจิตเจตสิกที่เกิดร่วมกันในฐานะสัมปยุตกรรมในาอาดีตเป็นปัจจัยเนี่ยนะกรรมในาอาดีตเป็นปัจจัยการเห็นจึงเกิดขึ้นเพราะธรรมเหล่านี้ประชุมกันอาศัยแสงสว่างเป็นอุปนิสัยที่มีกําลังการเห็นจึงเกิดขึ้นการพิจารณาอย่างนี้คือการกําหนดนามรูปเป็นบาทที่ไปเรียกว่ายาตะปริญญาแต่การกําหนดอย่างนี้ไม่ใช่ทวานตาอย่างเดียว ทวารหูก็ลักษณะเดียวกันว่าปฏิเสธอัตานะที่หูมีใครไหมที่เสียงมีใครอยู่ในเสียงไหมไม่มีแล้วโสตะวิญญาณที่ได้ยินมีใครอยู่ในโสตะวิญญาณไหมอันนี้ลักษณะปฏิเสธอัตนาใช่มูลปริญญาก็คือ <c oughs> คืออะไรโสตะทวารวิถีโสตะทวารวิถีที่เกิดขึ้นในขณะที่ได้ยินเสียงแล้วอาการตุกกะล่ะ ชาวนะที่เกิดขึ้นเช่นว่าพอเราฟังคำหนึ่งมันมีความชวนะอย่างหนึ่งใช่ฟังอีกคำหนึ่งชาวนะเราจะอีกอย่างหนึ่งแต่ก็ได้ยินเสียงแ่ะแต่ว่าได้ยินแต่ละคำแต่ละคำเช่นบางคำสะเทือนใจมากบางคำดีใจบางคำทำให้หวังบางคำทำให้ผิดหวังเป็นต้นอันนี้คือชาวนะที่เป็นอาคันตุ ก, กะที่จรมาแต่ทั้งหมดนั้นชั่วคราวตาวากาลิกะกาได้ยินเสียงก็ขันประห้าประชมกัน อายตนะสี่อย่างประชมกันธาตุสี่อย่างประชมกันและอะไรอีกปัจจัยหลายอย่างประชมกันการได้ยินจึงเกิดขึ้นจมูกก็ลักษณะเดียวกันใช่ไหมมีใครอยู่ในตัวจมูกบ้างไหมไม่มีแล้วกลิ่นเนี่ยมีอะไรลอยมากับกลิ่นไหมบอกมีส่ก็แมลงไงมันลอยมาอ่าเยนะไม่ใช่ใช่ไหมไม่ใช่ ก็ตัวกลิ่นมันไม่มีอะไรอยู่ในนั้นจริงๆหรอกนนะนะแล้วคานวิญญาณมีอะไรอยู่ในนั้นไหมไม่มีครับอย่างเนี้ยเขาเรียกว่าปฏิเสธอัตตาทิฏฐิวิสุทธิกับอสัมโมหสัมปัญญะคือสิ่งเดียวกันนนะนะทิฏฐิวิสุทธิอสัมโมหะสัมปัญญาญาตปริญญาคือสิ่งเดียวกันเพราะฉะนั้นจะเอาอะไรมาที่บายก็ได้ในสอย่างนี้สรุปว่าใครเข้าใจอะไรง่ายก็เอาไปพิจารณาเอากันลวกัน สรุปสรุปที่กล่าวไปว่าพิจารณาขันอายตนะธาตุทวานตาทวานหูทวานจมกูกทวานลิ้นทวานกายและทวานใจได้ใครทําได้อย่างนี้นี่แหละก็ถือว่าทิฏฐิวิสุทธิ์ก็ดีแล้วนะแปลว่าความเข้าใจใช้ได้อ่า น, นะคําว่าใช้ได้แปลว่าเป็นบาต ท, ที่จะเรียนวิชาระดับสูงต่อไปได้อ น, นะเรียนวิชาระดับสูงเพราะว่าอย่าเพิ่งรีบบรรลุเลยเนาะนนะเรียนเรียนไปก่อน ที่นี้ในลักษณะของนามธรรมทั้งหลายที่ปรากฏในหน้าสิบท่านยกให้ภาษะปรากฏก่อนอการแสดงธรรมโดยที่ยกภาษาขึ้นมาก่อนเนี่ยมีสูตรไหนบ้างที่พระพุทธเจ้าแสดงนามธรรมาแสดงรูปนามแล้วแสดงนามโดยยกภาษาขึ้นก่อนสูตรไหนบอกว่าปุตตะมังสะสูตร ปุตตะมังสะสูตนั้นพระองค์แสดงรูปประหารโดยกับพลิงกระหานใช่ไหมแสดงกับพลิงกระหานนั่นคือพิจารแสดงรูปธรรมแสดงผัสสาหารตามมานี่ก็แสดงอะไรขันแสดงผัสสะนะผัสสะหารก็สังขารขันแล้วแสดงมโนสันเจตนาหารคือสังขารขันแล้วก็แสดงวิญญาณอาหารคือวิญญาณขันทั้นอาหารสี่ก็คือขันห้านั่นแหละ อันนันปุตะมังสะสูดเนยกภาษาขึ้นตามมาเป็นเรื่มต้นถ้าสติปฐานสูตรแล้วก็สูตรอื่นๆ อ, อ, อีกยกยกเวทนาขึ้นมาเป็นลําดับที่สองหรือขันห้าข้อแสดงเวทนาเป็นลําดับที่สองเช่นสติปฐานสูตรแสดงกายานุปัสสนาไปจนจบใช่ไหมแล้วตามด้วยตามด้วยอะไรตามด้วยเวทนาตามด้วย ตามด้วยเวทนาและตามด้วยอะไรต า, ตามมาด้วยจิตานุปัสนาเนี่ยนะตามด้วยเวทนานุปัสนาตามด้วยจิตตานุปัสนาจึงยกธรรมานุปัสนาตามลำดับมาอันนั้นก็คือการแสดงกายานุปัสนานั่นคือรูปกรรมฐานหรือรูปธรรมการแสดงเวทนานุปัสนานั่นแหละคือแสดงนามธรรมจิตตานุปัสนาก็เป็นการแสดงนามธรรมนะคือแล้วแต่ว่าแสดงรูปจบแล้วเนี่ยจะแสดงนาม ที่เป็นภาษาก่อนหรือจะแสดงนามที่เป็นเวทนาก่อนบางสูตรแสดงนามที่เป็นจิตขึ้นมาก่อนเป็นลําดับแรกเช่นอะไรก็สูตรที่อาศัยจากขู่กับรูปเกิดจากขูวิญญาณนั่นแหละสูตรประเภทนี้แสดงจิตขึ้นมาก่อนธรรมะสมอย่างประชุมกันเป็นภาษาภาษาเป็นปัจจัยจึงมีเวทนาแต่ก็วนวนก็คือจะแสดงภาษาขึ้นก่อนก็จะตามด้วยเวทนาและจิต จะแสดงเวทานาขึ้นก่อนก็จะตามด้วยพรรษะหรือตามด้วยเจตนาหรือตามด้วยจิตจะแสดงจิตขึ้นมาก่อนก็ตามด้วยพรรษะเวทนาสรุปว่าแล้วแต่จะยกอะไรขึ้นก่อนทีนี้พระพุทธเจ้าพระองค์เป็นผู้มีบุญมากมีปัญญามากสางังสมบารมีมาเนะนี่ยนะอันพระองค์เนี่ยแสดงตามรายบุคคลคนนี้จะเข้าใจเรื่องคั้นังเข้าใจเวทนาก่อนพระองค์ก็แสดงเวทนาคนนี้จะเข้าใจพรรษาก่อนพระองค์แสดงพัรษะคนนี้เข้าใจเรื่องจิตก่อนพระองค์แสดงจิตก่อน แต่ที่นี้มาเรียนกับตานะโอ้โหหวานแห่หมดนะมีเท่าไรก็ระดมขนมาหมดเลยกันนี้ก็หวังว่าที่พูดมาเยอะแยะก็จับได้สักประโยคก็ยังดี <c oughs> ไม่ถึงขนาดนั้นหรอกมั้งเนาะก็สรุปว่านั่งฟังชั่วโมงครึ่งเนี่ยนะเข้าใจสักหนึ่งชั่วโมงสิบเก้านาทีนี้ก็พอละอน่นะที่เหลือเอาให้ช่องไฟมัง้ง ทีนี้มาดูในหน้ายี่สบเอ็ดเลยนะหน้ายี่สบอ็ดย่อหน้าว่าพึงประกอบความคล้อยตามประเภทแห่งนัยะทั้งหมดในโกธาตแห่งท่าสี่สิบสองโกธาษโดยนัยะว่าในเส้นผมอันมีกรรมเป็นสมุทฐานอันนี้เป็นการแจงที่ค่อนข้างละเอียดขึ้นแล้วนะตอนแรก น, นะทบทวนมาครั้งอีกทวนตอนแรกว่าพิจารณาขันห้าในท่าสี่อะไรเน่ย พิจารณานามขันศีในธาตุดินน้ำลมไฟอันนี้ในที่หนึ่งนะในที่สองพิจารณาขันอนามขันศีในผมในขนในเล็บสรุปในอาการสี่สิบสองในที่สามมาใหม่อันนี้แปลกประหลาดคือกว้างขวางกว่าที่คิดเยอะคือพิจารณานามธรำศีอย่าง ในเส้นผมที่มีกรรมเป็นสมุธฐา น, นนะพิจารณานามขันสี่อย่างในผมที่มีจิตเป็นสมุธฐานพิจารณานามขันสี่ประการในจิตในในในผมที่มีอุตุเป็นอาหารและที่มีอาหารเป็นสมุธฐานอันนี้เริ่มพิสดารมากขึ้นใชนามขันสี่ในผมในสมุธฐานสี่อันนี้พูดแบบสรุปนะ พิจารณานามขันศีในขนที่เกิดจากสมุทฐานสี่แต่ละสมุทฐานพิจารณานามขันศีในเล็บที่เกิดจากสมุทฐานสี่อันนี้ยกเฉพาะปฐวีธาตุนะแล้วอาโปธาตุอีกล่ะโอโหโลกของการพิจารณานนะเมื่อก่อนนะของมาแปลกใจมากว่าทําไมท่านจึงสอนอะไรไว้ละเอียดมากมายขนาดนี้ใครจะไปคิดตามหว่าตามไว้ นะเขาคิดภาษาเราไม่ค่อยฉลาดเนี่ยนะภาษาคนไมศรัทธาไม่มากยอมแตอ่อย่าไปเจริญรอยตามนะตรงนั้นไม่ดีแต่ตอนหลังไปเจอข้อความในเทรัคถาก็เลยเข้าใจว่าการวางข้อปฏิบัติในวิสุทธิมรรคเนี่ยนะเป็นข้อปฏิบัติที่เรียกว่าใครปรารถนาเป็นสาวกก็ปฏิบัติตามนี้ก็บรรลุได้ใครปรารถนาเป็นพระปัจเจกพรพุทธเจ้าศึกษาแนวทางนี้ก็สามารถ พบชาติต่อไปก็สามารถบรรลุเป็นพระประเจกพระพุทธเจ้าได้ใครปรารถนาจะสังสมปัญญาบารมีเพื่อจะตรัสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าในอนาคตเนี่ยคือข้อปฏิบัติหนึ่งในปัญญาบารมีของท่านเนีย่ยนะนี่คือข้อปฏิบัติเพื่อเป็นฐานให้อะไรนะปัญญาบารมีนะท่านผู้ที่สะสมปัญญาบารมีเพื่อจะเป็นพระพุทธเจ้าเนี่ยเขาจะต้องกว้างขวางลึกซึ้งขนาดไหนจึงเป็นพระพุทธเจ้ามาสั่งสอน เวนนยศัตร์ทั้งหลายแต่ขณะนั้นก็ยังสอนคนที่พอจะสอนได้นะมันสรุปว่าพิจารณากว้างขวางมากเนี่ยนะถ้ากล่าวตามตัวเลขในวันก่อนอวันก่อนที่ที่พูดถึงการพิจารณาเนี่ยนะว่าในธาต สี่บสองเนี่ยนะถ้า4ี่คือปฐวียี่สบอาโปสิบเตโชเท่าไรวายโยเกหกถ้ากล่าวตามสมุดฐานที่เกิดจากสมุดฐานหนึ่งบ้างสองบ้างสามบ้างสี่บ้างในสมุดฐานเหล่านั้นถ้ามาคูณนามมเออถ้ามารวมกันแล้วนะใน42ตามสมควรแก่สมุดฐานจะได้รูปหนึ่งพสสี่รูป 1494พี่ร้าสี่รูปเนี่ยนะคูณคูณนามขันสีเข้าไปก็คือขันห้าในรูปหนึ่งพันร้าสี่รูปก็ใครชอบตัวเลขก็เอาไปแต่ไม่ใช่เอาไปซื้อหวยนะตัะอย่างกันสรุปให้รู้ว่าเออมีการพิจารณาที่พิสดารขนาดนี้ แต่เพราะเหตุที่นามาทาทั้งหลายจะเป็นอันปรากฏโดยอาการสามได้ก็เฉพาะสําหรับพระโยคาวจรผู้กำหนดถือเอารูปหมดจดดีแล้วอย่างนี้เท่านั้นเพราะฉะนั้นใครที่จะพิจารณานามได้ละเอียดขนาดนี้นะคนนั้นจะต้องพิจารณารูปมากขนาดไหนใช่ไหมเขาพิจารณารูปอย่างมากเขาจึงเข้าใจนามอย่างกว้างขวางขนาดนี้ได้ เพราะฉะนั้นพโยคาวจรพึงทำความพยายามเพื่อการกาหนดถือเอานามได้ก็โดยการกำหนดถือเอารูปหมดจดดีแล้วเท่านั้นมิใช่โดยอาการนอกนี้ก็ถ้าหากว่าเมื่อรูปประทำอย่างหนึ่งหรือสองอย่างปรากฏแล้วเธอละทิ้งรูปปรารกการกำหนดนามเธอก็ย่อมเสื่อมแม้จากกรรมฐานได้พอพิจารณาผมขนเล็บพอถึงเล็บปั๊บเอาผมแล้วก็พิจารณานามไปเลยนะ ไม่นานเชื่อเลยบอกเสื่อมแน่ทำไมอ่ะทาไมจึงเสื่อมท่านอุปมาว่าเหมือนแม่โคที่พลาดตกจากภูเข า, าอันมีประการดังข้าพเจ้ากล่าวไว้แล้วในการเจริญปฐวีกสินฉะนั้นเหมือนอ่าเขาบอกว่าแม่โคตัวหนึ่งไปหากินเชิงเขาเขาที่มีเหวชันแล้วก็แม่โคตัวนี้เธอท่าไปเที่ยวหากินในที่ที่ตัวเองไม่เคยไปทางตรงนั้น อ่ะมันชันมากแล้วเที่ยวไปในที่ที่ไม่เคยไปคิดว่าแม่โคตัวนั้นจะรอดกลับมาไหมยากฉันใดนี่ก็เหมือนกันพิจารณารูปพิจารณาได้ไม่เท่าไรอาการ32สองเนี่ยสาธยายได้แค่ห้าผมคนเล็กฟันหนังก็เลยพอแล้วพิจารณานามต่อเลยดูท่าและอนาคตเสื่อมแน่กรรมฐานนะเพราะอะไรเพราะว่าเขาไม่ค่อยละเอียดนะนะ รูปที่หยาบหยาบยังจะไม่ไม่ได้เยอะเลยนะแล้วนามที่ละเอียดละเอียดไปกว่านั้นอ่ะจะได้สักเท่าไหร่หนอแต่เมื่อกระทําความพยายามกําหนดถือเอานามด้วยสา ม, มารถแห่งการกําหนดถือเอารูปได้หมดจดดีแล้วตรมมาฐานก็จะถึงซึ่งความเจริญงอกงามไพบูร์พระโยคาวจร น, นั้นย่อมกําหนดนามขันศีลที่ปรากฏโดยเนื่องกับพัรษะ เป็นต้นอย่างนี้ว่านี้เป็นนามย่อมกำหนดแยกมหาภูตรูปและรูปที่อาศัยมหาภูตรูป4ี่อันเป็นของอารมณ์อันเป็นอารมณ์ของนามขันสี่เหล่านั้นว่าเป็นรูปพระโยคาวจรกาหนดรูกำหนดธรรมะทั้งหลายอันเป็นไปในภูมิทั้งสามคือการกำหนดอย่างนี้ไม่ใช่กำหนดอยู่เฉพาะแค่แค่ในภายในใช่ไหมกำหนดในภูมิทั้งสามีอะไรบ้างการมาภูมิรูปภูมิและ อรู ป, ปรภูมิเอาความรู้ที่พิจารณาทั้งหมดเนี่ยแผ่กระจายไปในอนะันน้นเรียกว่าไปพิจารณาในภูมิสามเลยพิจารณาภูมิสามโดยอะไรโดยท่าสนะิบแปดนนสงเคราะห์ภูมิทั้งสามโดยท่าสิบแปดคิดง่ายๆว่าเอาทุกคนที่เราคิดถึงเนี่ยมาหารลงท่าสิบแปดให้หมดเลยเอามากระจายโดยท่าสิบแปดหมด เอาทุกคนที่เราคิดถึงเนี่ยนะทุกภพภูมิเนี่ยมากระจายโดยอายตนะสิบสองเอาทุกอย่างที่เราคิดถึงมากระจายโดยขันห้าแล้วก็ย่อทั้งห้าสิบแปดอายตนะสิบสองขันทั้งห้ามาย่อเหลือสองส่วนก่อนคือนามกับรูปเหมือนใช้พระขันงัดฝาตลับและเหมือนผางเงาตานคู่อย่างนี้ก็ย่อมถึงความตัดสินใจได้ว่าสัตว์ก็ดีบุคคลก็ดีเทวดาก็ดีพรมก็ดี ที่เป็นสิ่งอื่นเนื้อไปจากนามรรปภามีไหมอนนสรุปว่าทุกขนทุกแห่งอย่างเช่นอะอารูปภูมิมีแต่นามอสัญญาสัตตาภูมิมีแต่รูปภูมิที่เหลือมีทั้งนามและรูปนามและรูปเหล่านั้นเนี่ยนะเป็นที่ตั้งแห่งโวหารว่าเป็นสัตว์เป็นบุคคลเป็นเทวดาเป็นพรหม นนะถ้าย่อลงมาแล้วก็เหลือแต่นามกับรูปขยายออกไปก็เป็นขันอาญตนะและพาดก็มีการย่อการขยายการพิจารณาทบทวนอยู่อย่างนี้จนตลอดให้มากในทุกหลทุกแห่งทุกอารมณ์และทุกภพภูมิคุณกันตาว่าไงกราบท่ า, าสกาารถามพระอาจารย์ค่ะขอย้อนไปตรงหน้าส8บปดนะคะพอดีท่านพระอาจารย์อธิบายจบเลยไปแล้ว ที่ตรงที่ให้นามปรากฏที่ผัสสะเวทนาสัญญาจิตอันนี้ที่ท่านแสดงว่าถ้ามีการพิจารณารูปจนละเอียดแล้วนี้ก็จะทำให้นามปรากฏเหมือนที่ท่านเปรียบเทียบว่าพอตามรอยงูตามงูไปก็จะเจอรูของงูอันถ้าการาวิทยาพิจารณาโดยในยะนี้ถ้าเป็นเวทนานี้ก็โยมก็พอจะนึก นึกออกเพราะว่าอย่างเช่นเราพิจารณาที่รูปที่เป็นอารมณ์แล้วก็เราก็จะพอตามไปเจอเวทนาได้ว่าควรจะเป็นเวทนาใดแต่สำหรับกรณีผัสสนี้ถ้าลักษณะของผัสสนี้มันจะรู้ได้ยากเพราะว่ามันต้องเกิดจากธรรมะสามอย่างมาประชุมกันมันจะไม่ปรากฏชัดเหมือนเวทนาก็เลยอยากจะให้พู้อาจารย์ลองแสดงตรงที่ว่าวิธีการพิจารณาที่ว่าจากที่ว่าพอเราจะ พิจารณารูปยังไงที่ว่าพอพิจารณารูปจนละเอียดจนกระจายชัดแล้วถึงจะเห็นว่าผัสสะมีอาการปรากฏอย่างไรหรือว่าสัญญาจิตนี้มันจะปรากฏออกมาอย่างไงนะคะถ้าดูตากการพิจารณาเนี่ยนะนที่จริงเดี๋ยวพักก่อนนิดปะจะมาตอบทีหลังเนีกน่ก็พอพูดยาวแล้วเดี๋ยวมันจะอายพักสักครู่ก่อนนะเชิญฟั